ลาหุ่นนะเป็นโอรสของเจ้าชาสิทธัตถะอันนี้พวกเราก็ทราบดีภายหลังก็ได้ออกบวชนะอายุก็แค่เจ็ดขวบเท่านั้นแหละหลังจากที่เจ้าชาสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระเจ้าลาหุ่นก็ ให้บวเป็นสา ม, มัญเนรชีวิตของสา ม, มันเนรเราเห็นถ้าเจอกับสา ม, มันเนรอีกหลายท่านนะที่มีชื่อเสียงนะก็ถือว่าเรียบเรียกอยางสา ม, มนเนรหลายท่านเนีอายุเจดขวบก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างสามัเนรสิ ว, วลี สัมมณีสุขสัมมณีบัณฑิตนั้นคนนี้เป็นสัมมณีที่มีชื่อแต่สัมมณีลาหุนก็มีชีวิเร็บเรีย บ, ยบแต่สิ่งที่ท่านเด่นก็คือความเป็นผู้ที่เรียกว่าวานอนสอนง่ายเป็นผู้ที่ใฝ่ต่อการศึกษาผ่อนน้อมทำตัวคือถ้าเทียบกับ พระชนนะนะพระชนะนี่เป็นด้วยกวัสหร า, าิกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบวชหลังจากที่พุทธเจ้าตัดสู่แล้วพระชนะนะจะมักจะถือสิศี์ว่าตัวเองนี่เป็นคนใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้านะคุณเคยพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เล็กแล้วก็เป็นผู้ที่พาพระพุทธเจ้าก็จะใช้ยสิทธัตถะ ออกจากราชวังเพื่อบวชนันก็จะอ้างสิทธิ์พิเศษอยู่เสมอแต่พฤตัวไม่สนใจว่าพระวินัยเวลาพระโมกขลานะพระสัตรุตทวงติง่งก็จะก็จะเถียง ทังที่ทั้งสองท่านก็เป็นพันเตก็จะอ้างว่าตัวเองเป็นคนสนิทพระพุทธเจ้ามองว่าเนี่ยพระโมกขนะนัสายเลวุ่นี้เป็นผวกเป็นมาทีหลังไม่มีความหมายอันนี้เป็นลักษณะของพระชนนะที่ตานหลังก็เป็นอย่างนี้มาจนแก่ประหลังที่พพุทธเจ้า ประนิพาแล้วก็คณะสงฆ์ก็ลงพรหมทันอันนี้ก็เป็นคําแนะนําของพระพุทธเจ้าเองนะให้ลงพรหมทันพะชันนะ่ะขณะอายุแปดสิบก็ยังก็ยังไม่ไม่รู้สํานึกนะจนกรทั่งลงพรหมาทันนั่นแหละโดนสงลงพรหมาทันคือไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่อห้องเกี่ยวด้วยถึงได้สํานึกแล้วก็บรรลุธรรมในภายหลัง แต่ตรงข้าวนะครับสามเนินลาหุ่นนี่เรียกว่าทั้งที่เป็นคนเป็นลูกนะก็คิดเจ้าแต่ก็ผู้ภาษาชาวบ้างคือไม่เคยอวดเบงก็ใช้ชิดเหมือนกับอเนินทั่วๆไปคราวหนึง่งพระก็อยากจะทดสอบว่าท่านจะ มีความ น, นันงทมตนว่างง่ายแค่ไหนคือปกติสำเนาหุ่นก็มีที่ทำความสะอาดทำความสะอาดเสนาสนะปกติทำความสะอาดเสนาสะนาาสะเสร็จก็จะเอาจะวางไม่กวาดเอาไว้เป็นที่มิชชิต แต่คนนี้พาทำการทดสอบก็เลยเอาไม้กวาดมาวางไว้เกะกะข้างนอกพอสามนเณรเดินผ่านมาก็ก็ ท, ทําทีเป็นดุสามนนเณรว่าเนี่ยทาไมเอาไม้กวาดมาวางไว้ไม่เป็นที่แบบนี้เอาเก็บเข้าที่แล้วชัน้นในลาหุนก็ไม่ว่าอะไรนะ การที่จะเถียงว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําก็ก็นิ่งเงียบแล้วก็ขอคํามาพระทั้งหลายแล้วก็เอาไม้กวาดไปเก็บคือท่านก็รู้อยู่กับใจว่าไม่ใช่ทําไม่ได้ทํานะแต่ว่าก็ไม่เถียงก็รับคําตำหนิไปโดยดุษดี โดยดุนิยภาพนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นลักษณะของอสัมมเรณราหุลนนะความอ่อนน้อนถอมตนของท่านแล้วก็เป็นผู้ที่ฝ่ายศึกษานะ เ, ป เ, ปเป็นเป็นเป็นเศษของภาสาลิบุตร พระพุทธเจ้าก็พยายามสอนนะพยายามชี้แนะสามเณรลาหุนอยู่หลายครั้งก็เป็นโชคดีนะที่ท่านไม่บรรลุธรรมไว้เพราถ้าท่านบรรลุธรรมไว้ครับคำสอนของพรุทธเจ้าที่ที่สอนสามนเณรลาหุนก็คงจะมีน้อยกว่าท่านจะบรรลุธรรมได้นี่ก็บวชแล้วนะบวชได้ยังไม่ครบพรรษบวชเป็นพระนะ ยังได้ไม่ถึงยังไม่ได้พรรษาทกั บ, บรรลุธรรมแล้วก็ช่วงเวลาประมาณสิบสามปีที่ท่านเป็นยังไม่ใช่เป็นพระเสขะพระเสกขะบุคคลก็กุจ้าก็แสดงธรรมดูหลายหลายหลายครั้งนะก็มีพระสูตรให้เราได้ เรียนรู้ได้อ่านได้ศึกษาอากกว่าถ้าเนีเป็นพระเซกขบุคคลหรือพระอรหันต ก, ก็ได้มีพระสูตรหลายพระสูตรที่โรงได้สอนพระสัะสมมาเนรราหุลมีคราวหนึ่งพรง ก, ก็สอนอสมัมมาเนรราหุลให้ให้มองกายนี้ให้พิจารณากายนี้ ว่าเป็นธาตุห้านะดินน้ำไฟลมแล้วก็อากาศด้วยนั่นก็ค่ากับกากับตาสตนะิที่เราเอาศียยามสักครู่นะแต่ว่าสุดยอดๆว่าเป็นห้าก็เห็นว่าเนี่ยมันร่างกายนี่มันก็ประ ก, กอบไปด้วย ้าดินดินนี่ก็ได้แก่พวกอวัยวะที่มันเป็นของทึกตันเช่นกระดูกตับไตแล้วก็ธาตุน้ำก็เสเละเลือดหนองธาดุไฟก็อนณภูมิธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอากาศก็ที่เป็นช่องว่างช่องว่างในอวัยวะ เช่นในปอยก็มีนะช่องว่างในร่างกายก็มีอยู่งานพิการพิจารณี้ก็เพื่อจะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ม, มันก็เป็นแค่มันไม่มีตัวตนของมันเองไม่มีตัวตนของมันเองออกมาครับเกิดขึ้นได้เพราะการ ที่ส่วนประกอบต่างๆเข้ามารวมกันคำว่าอนัตตานี่ครัความหมายหนึ่คือว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองถ้าแยกส่วนประกอบย่อยๆออกไปแล้วก็ไม่เหลือเลยเหลือแต่ความว่างเปล่าเมืเม่อเก้าอี้เก้าอี้ถ้าเราะแยกเอาส่วนที่ไม่ใช่เก้าอี้ออกไปอะไรบ้างครับเช่นตะปูเนี่ยตะปูนี่ก็ไม่ใช่เก้าอี้เอาตะปูออไป ะเอาพนักพิงออกไปพนักพิงก็ไม่ใช่เก้าอี้แล้วก็เอาไม้ออกไปไม้ก็ไม่ใช่เก้าอี้แยกออกไปไม่กี่อย่างก็ไม่เหลืออะไรแล้วะร่างกายนี้เหมือนกันแยกเอาส่วนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายไปเช่นอะไรตักตับก็ไม่ใช่ร่างกายปอดก็ไม่ใช่ร่างกาย กระดูกก็ไม่ใช่ร่างกายยยกไปสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความว่างอันนี้เรียกว่าอนัตตาก็สอนให้ทวยเจ้าก็สอนพระสัลยุบท้าพระสามเณรลาหุ่นให้ได้พิจารณาอย่างนี้อยู่สม่ำเสมอนะเป็นกรรมฐาน แต่ว่าไม่ได้พิจารณาเท่า น, นั้นนะไม่ได้พิจารณาแค่ธาตุาห้าที่มาประกอบขึ้นเป็นร่างกายนะแต่ว่าในบางครั้งยนงสอนให้ธรรมเนรรหุนเนนี่ทำาจเหมือนกับดินน้ำไฟลมอากาศที่อยู่รอบตัวด้วยดินน้ำไฟลมมันไม่มีแต่ในร่างกายนะดินน้ำไฟลมก็มีอยู่รอบตัว สอนให้ทําใจอย่างไรนะก็ให้ทําใจเหมือนกับดินก็คือดินนี่มันไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะใครจะโยนของสะอาดหรือของเน่าเปื่อลงไปในดินดินก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะก็ให้ทําใจนั่นแหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสิ่งที่เป็นบวกหรือเป็นลบนะ ที่มากระทบน้ำก็เหมือนกันนะน้ำไม่ยินดีไม่รีไร้ายกับของสะอาดหรือของไม่สะอาดที่คนทิ้งลงไปในน้ำนะของที่เป็นซากศพน้าน่ารังเกียจน้ำก็ไม่ได้รังเกียรหรือว่ายินร้ายอะไรเลยไฟก็เหมือนกันนะไฟมันก็ไม่รังเกียรเทียบเผาทุกอย่าง ไม่เลือกไม่เลือกว่าอะไรทั้งสิน้นจะเป็นของงามของไม่งามไฟนก็ทําหน้าที่เผาอย่างซื่อสัตย์ไม่บิดพลิ้วลมก็เหมือนกันนะลมก็พัดผ่านไม่ลังเกียจที่เขาผ่านสิ่งที่น่าเกลียดหรือว่าส่งกลิ่นเหม็นอากาศก็เช่นเดียวกันนะก็ยังเป็นอากาศนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อันนี้ก็ให้พิจารณาทำใจให้วางใจเหมือนกับดินน้ำไฟลมและอากาศก็เป็นการสอนนะสอนสอนสอนเด็กนะแต่ว่ามันก็สอนใจพวกเราผู้ใหญ่ได้เหมือนกันเอาดินน้ำไฟลมที่รอบตัวนี้เป็นครู นักะเดีวนดกนก็เอาดินน้ำไฟลมที่มีอยู่ในร่างกายเราหรือที่ประกอบเป็นร่างกายเรานี่เป็นเป็นครูเหมือนกันนะเป็นเป็นธรรมะที่จะพาให้ให้ให้ได้เห็นธรรมการพิจารณาดินน้าไฟลมอากาศในร่างกายนะอันนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นสัจธรรม เป็นสยธธรรมคือเห็นความจริงเรื่องอนัตตาประเด็นการการน้อมใจให้เป็นเหมือนกับเด่นน้ำไฟลมอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็คือการฝึกจิตให้ให้ดีงามให้งดงามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมนะ ก็คือว่าถ้าถ้าใจจิตใจเรามั่นคงเป็นปกตินะไม่ว่ามีอะไรมากระทบหรือไม่ก็ไม่ยินดีไม่หยิน้ายนะอันนี้ก็ทำให้ใ จ, จิตใจเนี่ยงดงามได้ทำให้การประพฏิบัติถูกต้องตามทํานองครองธรรมคือไม่โกรธเมื่อไม่โกรธก็ไม่ไปพูดจาทาร้ายภายัย แม้ว่าจะเจอความต่อว่าด่าทอนะใจก็ยังสงบนิ่งอันนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมธรรมะในพเจ้าเนี่ยธรรมะที่พรเจ้าสอนเนี่ยก็ถ้าพูดย่อๆนะมันก็คือมีแค่สองนั่นแหละก็คือสัจธรรมและจริยธรรม สัจะทรก็เป็นเรื่องความจริงจะได้ทำ เ, เรื่องความดีจิต ท, ที่สงบจิต ท, ที่มั่นคงไม่วันไหวจิต ท, ที่มีเมตตากรุณาอันนี้เรียกว่า อ, อยู่ในทํานองครองธรรมเป็นจิต ท, ที่ดีงามแต่ถ้าเห็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าเป็นเกิดปัญญา อันนี้เป็นคุณสมบัติของจิตสองประการนะที่ทางพุทธศาสนานีจ่จะให้ความสำคัญแล้วก็แยกแยะนะไม่เอามาปนกันการฝึกจิตถ้าฝึกจิตให้มีเจริยรธรรมก็เรียกว่าสมาธินะหรือบางทีก็เรียกอธิจิตตสิกขาไตรสิกขาเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาสมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึง จิต ท, ที่เป็นสมาธิอย่างเดียวนะแตหมายถึงว่าจิต ท, ที่มีพัฒนาการจิต ท, ที่งอกงามถ้าเรียกตมยุทธ์เรียกอธิจิตตสิกขาคือการการศึกษาการฝึกฝนให้จิตมีคุณภาพที่ก้าวหน้าอาธิไปว่ายิ่งมีจิตอันยิ่งก็รวมหมดนัตั้งแต่การฝึกจิตให้มี สติมีสมาธิมีขันติมีวิริยะมีเมตตานะมีอุเบกขาด้วยให้จิตที่ไม่ยินดีไม่ยินลายเนี่ยนะไม่ว่าอะไรมากระทบบวกหรือลบเนี่ยก็ถือว่าเป็นจิตที่มีพัฒนาได้รับการพัฒนาในฝ่ายอธิจิตตสิกขาหรือว่าเซ็สันวาสมาธินะส่วน การจิตที่มีปัญญากนะ็าจะจธรราความจริงอันนี้ก็เป็นอันหนึง่บงบอนทีเราก็เรียกปัญญาเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้จักแยกแย้หน่อยก็ดีเพราะว่าการปฏิบัติธรรม ถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมแต่ในแง่ของการฝึกจิตให้ฝูกทำนองคลองธรรมหรือว่าให้มีให้เจริญไปในนาจริยธรรมนี่มันก็ดีนะเช่นเป็นคนจิตใจแฝบุญฝ่ายกุศลจิตใจที่มีเมตตากรุณาจิตที่มีสมาธินะแต่ว่าถ้าหากว่าขาดเรื่องการพัฒนา ให้เกิดปัญญาหรือให้เห็นก็ใจศักดิ์ธรรมเนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยนะในเรื่องการอ่ายังไม่ปลอดภัยจากความทุกข์ความทุขมก็ยังสามารถที่จะเล่นงานได้อคนทําดีก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจเลยทําดีมีเมตตากรุณาแต่ก็ยัง ทุกเมื่อเจ็บเมื่อป่วยนะเมื่อถูกต่อว่าดาทอหรือว่าเมื่อสูญเสียพัดพราดทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีทำไมทำดีไม่มีคนเห็นนะหรือว่าพอเจ็บป่วยขึ้นมาแลาทำไมถึงต้องเป็นชั้น นัอุตส่าห์ทำดีสร้างบุญสร้างกุศลมาทำไมถึงต้องเป็นมะเร็งหรือว่าทำไมต้องต้องเสียลูกทำไมต้องพิกการที่บ่นอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจความจริงไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ตระหนักว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ เพยงแท้แน่นอนนะชื่เรางก็ตกอยู่ภายใต้อันนี้จังทุกขังนักตา่างนีไม่พ้นถ้าไม่ไม่เห็นความจริงตรงนี้เนี่ยทำความดีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังทุกข์นะเพยงแต่ว่าทุกน้อยกว่าคนที่ทำชั่วเพราะคนทำชั่วนีต้องได้รับผลจากการทำชั่วอยู่แล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนใจ และนี่ยังไม่นับว่าเมื่อถึงครางที่ร่างกายแก่เจ็บป่วยพัฒน์พลาดยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เวลาเรียนเวลาเวลาเราเรียนเรื่องธรรมะนี่ก็ต้อ ง, ต, องต้องพยายามปฏิบัติให้มันครอบคลุมทั้งสองประการทั้งจริยธรรมแล้วก็สัจธรรม ทานและียเนี่ยเป็นเรื่องจริยธรรมเลยบุญกิริยาสารการทานเสียภาวนาเนี่ยทานศียนี่เป็นเรื่องจริยธรรมเรื่องความดีเลยตรงส่วนภาวนานี่ก็มีทั้งจริยธรรมและศัจธรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบภาวนาเพื่อให้จิตมีเมตตาเพื่อให้ไม่ประมาทจะได้ขนขวายทําความดี หรือว่ามีขันติมีวิริยะอดทนรวนะนทั้งมีรู้สึกสันมีสันโดษความพอใจสิ่งที่มีดีสิ่งที่ได้ใน้พวกนี้เนี่ยถือว่าเรียกรวมรวไปเรื่องจริยธรรมเเรื่องความดีงามทิ่ที่บั่นคงไม่ไม่โกรธนะไม่โกรธใครนะหรือว่าหรือว่าวางังนะ วางใจเป็นอุเบกขารูจา้รจักปล่อยวางได้ไม่โกรธไม่โมโหไม่เศร้าโศกไม่เสียใจนีเนเ่เรื่องจริยธรรมเพราะอาศัยสติสมาธิอาศัยสติบ้างสมาธิบ้างอาศัยเมตตาบนะ้างตอเมื่อเห็นมีปัญญาเห็นนะเข้าใจใจละเข้าใจเรื่องรูปนามอันนี้มันก็จะทำให้ความหวันไหวของจิตนะ มันหมดไปไม่วันไหวนะกับความนผลวนปนแปรนะของสังขารที่จริงการไม่ยินดีไม่ยินลายเนี่ยไม่ยินดีไม่ยิน้ายในเสียงต่างที่มากระทบเนี่ยเช่นเมื่อได้เมื่อเจอลูกระทั่ฝ่ายบวกก็ไม่ยินดีเมื่อเจอลูกระทั่ฝ่ายลบก็ไม่ยินลายอันนี้ก็เกิดประจับปัญญาได้นะ ก็คือว่าเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยลาบยศสุขสรารเสวนที่มีนี่ก็เป็นของชั่วคราวพอได้มาก็ไม่ยินดีกับมันนะมากนักเพราะว่ารู้ว่าประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนะมาแล้วก็ไปเจอแล้วก็จากพบแล้วก็พลาก เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเจอก็ไม่ยินดีเมื่อไม่ยินดีเพอเจอเมื่อเจอเวลาจากก็ไม่ได้ยินร้ายอะไรอันนี้ก็เป็นก็เกิดจากเกิดจากการที่มีปัญญาเห็นสัจธรรมได้แต่ว่าล้วขณะกั้นเมื่อเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตมันคงอะไรมากระทอก็ไม่วันวายไม่โกรธเคือง เมื่อเจอสิ่งที่เป็นลบหรือว่าเมื่อพลาดพลาดจากสิ่งที่เป็นบวกนะไอก้กิเลสความโกรธความเสียใจก็คล่องมันไม่ได้ก็ทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความดีได้ไม่ไปโกรธแค้นใครไม่ไปด่าว่าใครหรือว่าไม่ทำร้ายตัวเองเวลา กรณีเรื่องราวของพระเรื่องราวของสามเณรลาหุ่นก็ยังชี้เห็นแล้วว่าสิ่งรอบตัวเราเนี่ยนะสามารถจะสอนทำเราได้ตลอดเวลาพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ที่มีความฉลาดในการที่จะเอาสิ่งต่างๆมาสอนทำถ้าเรารู้จักมองก็จะเห็นว่าทุกอย่างรอบตัวเราเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์หมดเลยสามารถจะสอนทำได้ทั้งนั้น ร่างกายนี้นก็สอนทำได้ธรรมชาติรอบตัวก็สอนทำได้สอนทั้งศัตรธรรมแล้วก็จริยธรรมเช่นใบไม้ที่มันร่วงหล่นต้นไม้ที่มันโคน่นล้มก็สอนทำเรื่องอนิจจังได้ของทีพุเจ้าก็สอนนะอะ่ว่าให้เรียนธรรมะจาก ผีเสื้อนะผีเสื้อนี่มันต้องพึ่งพาน้ําหวานจากดอกไม้แต่ว่าเวลามันเอาดูดเอาน้ำน้ําหวานจากดอกไม้มันก็ไม่เคยทําให้ดอกไม้มีบอบช้ำหรือเสียสีเลยก็สอนพระไว้ทําตัวเหมือนกับผีเสื้อนะก็คือว่าพึ่งพายาศโยมแต่ว่าไม่ทําให้ญาติโยมนี้เดือดร้อนอันนี้ก็สอนเรื่องจริยธรรมหรือบางทีเห็น ฟองน้ำพยับแดงก็พิจารณาว่านี่ชีวิตเราก็ไม่ตายย่างจากฟองน้ำและียับแดงก็คือว่ามันเกิดขึ้นมาชัวารร่วคราวปยวประดาวแล้วก็หายไปอันนี้ก็สอนหนึ่งจัตจะทมความไม่เที่ยงของชีวิตเออเราพูดว่าธรรมชาติสอนธรรมนี่กนะ็ ใ ห, หลองแยกแยก่ว้นมาก็จะพบว่าเออมันสอนได้ทั้งจริยธรรมแล้วก็สอนทั้งศีลธรรมสอนศีลธรรมคือสอนให้เข้าใจเรื่องใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรืออิทัปิปฏิยตาก็ได้ส่วนสอนจริยธรรมก็คือสอนให้ให้ให้มีคุณธรรมให้ตั้งมาในความดี บางทีก็ให้เรียนจากนกนะั้นนกนี่มันมีปีกแค่สองข้างก็ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระแล้วก็สอนพระว่านนี้ให้ให้อยู่อย่างเบาเหมือนกับนกนะียอันนี้ก็สอนเรื่องการใช้ชีวิตเรียบง่ายนะอันนี้ก็เป็นจริยธรรมได้แล้วเราก็ต้องฉลาดในการมองในการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว สามเณสุขเดินไปบินเดินมินบาทเห็นชาวนากำลังทดน้ำเข้านาเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างธนูกำลังดัดลูกธนูก็ไปไหนก็เห็นช่างไม้กำลังดัดไม้ก็เกิดได้คิดขึ้นมานะเออคนอาชีพต่างๆนี่เขาก็ พยามดัดแปลงสิ่งต่างๆวัตถุสิ่งของให้เป็นประโยชน์แล้วเราล่ะควรจะทําควรจะทําอย่างไรก็ได้คําตอบว่าเราควรจะฝึกตนเห็นชาวบ้านเขาดัดแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นไม้เราเนี้ก็ควรจะฝึกตน ควรจะดักแปลงเปลี่ยนแปลงตนเองทําไม่ท่านเกิดนะความตั้งใจที่จะฝึกจิตฝึกใจมากขึ้นโดยท่านเห็นได้ซ้ำในว่าแม้กระทั่งน้ำเนี่ยไม่มีชีวิตนี่ก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้ไม้นี่ก็ยังสามารถจะเอามาทำให้มีประโยชน์ได้เรานี่มีจิตมีใจทำไมจะฝึกใจไม่ได้ก็เลยกลับไปบาเพ็ญภาวนา แล้วก็บรนะรลุธรรมเต็มตอนในเช้าวันนั้นเลยอันนี้ก็ท่านได้ถ้าก็เรียนเรียนธรรมมาจากสิ่งง่ายๆพื้นๆเรียนจากชาวนาเรียนจากช่างไม้เลยจาช่างถนูแล้วก็ได้ข้อคิดจากพวกสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะว่ามันยังสามารถจะ เอามาใช้ประโยชน์ได้สามารถจะดัดแปลงมาให้เกิดประโยชน์ได้และจิตเรานี่มันจะทำให้ดียิ่งกว่านั้นไม่ได้ชยหลืออันนี้ก็เป็นเพว่าเป็นวิธีคิดก็ได้นะอนที่เราควรจะมีกัน ถ้าเรามีวิจีคิดซึ่งทางพุทธศาสนาโยนิสโสมนัสิกการเนียถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เนี่ยมันก็ก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์นี่มีอรอบตัวเนี่ยทุกอย่างก็สอนทำให้กับเราได้ทั้งนั้นไม่ได้ว่าจะต้องเข้าวัดหรือว่าอ่านพระไตรปิฎกต้องฉลาดในการมอง นั่นก็สูงงานคือว่าถ้าเรารู้จักมองเป็นนะถ้าเรามองเป็นก็เห็นธรรมได้รอบตัวที่จริงแม้ทั้งธรรมในตัวเราก็จะเห็นได้รือตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจะเรลีธรรมหรือเสจะธรรม